เวลาไปเปิดอบรมแถวเซนติโกมาแวะไปที่เดียร์พารคบ่อยๆเคยพาชุดของญาติโยมจาก拉斯เวกัส mm. ไปขอจัดอบรมที่นั่นเจวันที่เดียวภพาคเป็นศูนย์ใหญ่ของภาคตะวันตกที่แคลิฟอร์เนียของหลวงพ่อที่ได้ทันที่เข้าไปเซลาขนาดใหญ่เนี่ยก <c oughs> ็จะมีอย่างเงี้ยเอาเขียน แต่ ท, ที่จะเป็นพุทธรูปที่ใหญ่อลังการแบบเมืองไทยนะเขียนตัวหนังสือเป็นภาษาเวียดนามตัวใหญ่เขาใช้เชือกนะเชือกเชน่อมตะขันเนี่ยมาม้วนเป็นตัวหนังสือเข้มาก็ถามเขาว่าอันหมายความว่าไงที่เป็นภาษาเวียดนามตอนนั้นนะเขาบอกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เท่ากับว่าบิซิเลส บีแปลว่าอะไร ย, ยุ่งยุง่งเหยื่อไม่ถ้าแปยุ่งเหยื่มันก็ไม่ดีสําหรับบีซี่เด็ดสิโอวันนี้ร้านอาหารไม่ค่อยยุ่งเลยหมายความว่าไม่ดีขายไม่ดีเนะี่ยโอวันนี้บีซีได้กํากไรดีมากเพราะฉะนั้นบีซี่ในแง่ของการที่ว่าในเรื่องของธุรกิจโลกๆนี่ให้มันยุ่งยุ่งเอาไว้แล้วมันได้กำไรมันน้ําใสๆเนี่ยปลาไม่อยู่นะ แต่น้ำปนขุนเนี่ยปอยู่เยอะเพราะอะไรเพราะอาหารมันเยอะถ้านําใสๆไม่ค่อยมีอาหารมนุษย์ก็แบบเดียวกันที่สร้างบิซิเนสธุรกิจ น, นั้นอันนี้คือมาเพื่อให้มีเหยื่อได้กินเท่านั้นเองใช่ไหมเป็นให้มันบิซี่เขาเขียนว mm ่า hmm. บิซิเลสบิซิเลสแปลว่าอะไรถ้าเป็นบิซิเนสแปลว่าธุรกิจใช่ไหมถ้าเป็นบิซิเลสอ่ะไม่ยุ่งที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่ไม่ให้ไม่วุ่นวายหนอ อมาได้นึกถึงคำของท่าน <c oughs> ยะศกุลบุตรที่ประสบเป็นลูกของเศรษฐีที่รวยที่สุดในเมืองนั้นในเมืองสาวัตถีหรือเมืองแหลรนั่และรับความปนเปื้อเช่จนหูเบื่อจนเอือมตื่นขึ้นมาตอนดึกๆเห็นสาวสนุมคมมานานคนชายนอนทะเลเคขะกันทั้งโป้ทั้งเปื่อยทั้งผ้าดุดดุยเต็ม น้าห้เบื่อสุดๆเลยนี้เลยหนีออกจากที่นี่ขัดขอ้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะเพ้อเอข้ามาสติแตกก็ว่าอะไรเนาะหนีออกจากเครือข่าแล้วก็ปากก็บ่นไปว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดขอ้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะนก่อนผ่านจนไปถึงหน้าพระเชตวันพระพุทธเจ้าก็เดินจงกรมอยู่ตื่นท่านตื่นมาที่องทีสามเขาก็เดินจงกรมเราพุทธิยถาทุกวัน ท่านก็เลยตรัสสวนไปเสียงก้องๆในป่าเนาะเสียงกังก้อ ง, องที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดค้องที่นี่มีวุ่นวายที่นี่มีขัดของท่านคงจะเอาพูดดำหลัดตรงเนี้ยไปเป็นชื่อตรงนั้นบิซิเลสแต่ภาษาบาลียังไงมาก็จำไม่ได้ละที่นี่มุนวายที่นี่ไม่ขัดของบิซิเลส ก็คงเยก่บิสเลตบิสเลตไปงันน่ะเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นคนอเมริกันคนอังกฤษบิสเลตบิสเลตพุทธเจ้าบอกบิสเลตบิสิสี่บิสสีงั้นเลยพุทธเจ้าก็ัดสวนไปว่าอะไรบิสเลตบิสเลตก็เกิดคานั้นขึ้นมาคาตรงนี้ก็เรียกว่าอะไรตื่นรู้ก็คือเอาแวรอาแวหรือเอาเวกินเอาเวกินเอาเวกินนั่น ฉะนั้นอันนี้ก็คือที่ไปที่มาของคําคํานี้นะฮถ้าไม่ตื่นรู้เสียก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่เบิกบานนะเพราะฉะนั้นครนี้จะน่าจะตั้งชื่อว่าภาวตื่นรู้ภาวนาใช่ไหมรู้ตื่นหรือตื่นรู้ตื่นก่อนรู้แล้วรู้ก่อนตื่นเฮ่ค <c oughs> ิดได้ดีแต่ติงแคลปุลี่นะเรื่องนี้นะเ <c oughs> อาให้ดีรู้ก่อนตื่นหรือตื่นก่อนรู้ ตื่นก่อนถึงรู้ใช่ไหมรู้ก่อนตื่นนี่แสดงว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านนะเนี่ยเรื่องนี้อย่าไปมองเผลอเผลอไปได้นะามาเป็นคนอย่างนี้แหละเอออะไรตื่นก่อนรู้แล้วก็รู้ก่อนตื่นแต่ว่าความหมายลึกกว่านั้นก็คือว่ามีอยู่หลายครั้งก่อนที่จะมาจะตื่นเนี่ยใกล้กับใจเนี่ยถามคนว่ากล้กับใจนี่ใครตื่นก่อนเวลาจะตื่นมาได้สังเกตไหม ถ้าใจตื่นก่อนกายเนี่ยแสดงว่าคนนั้น ส, สติสมบูรณ์แล้วแต่บางเร า, าของเราในบางครั้งสมบูรณ์บางครั้งไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมีอยู่หลายครั้งมาตื่นจิตมันตื่นถึ ง, ถงมาเห็นร่างกายนอนโคลนอยู่นอ น, น, อนเห็นภาพเลยนะเห็นนึโคนอยู่เป็นบางบางครั้งเห็นร่างกายเป็นสักพักหนึ่ง ที่เราอยากจะปลุกการให้ตื่นเนี่ยราก็ชากลมหายใจใหแห้งแรงเราก็จะรู้สึกตัวจิตลิสตีที่มันแยกออกมาเห็นตัวมันก็เข้าร่างพอดีอันนี้เขาเรียกวรู้ก่อนตื่นแต่คนทั่วไปเป็นไงตื่นก่อนแล้วถึงจะรู้ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้มีความหมายนะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าตรงนี้ผิดไม่ใช่แต่มันถูกจนคนยังไม่ไปถึงมัน่ะ เราก็บอกว่าันผิดนะแต่ว่าเราเ ด, เดินทางไม่ถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นภาวนาไปเรื่อยๆน่ยมันมีอะไรที่ลึกลับมหาจรรดิมากในเรื่องของจิตเนี่ยนะในช่วงเช้านี้ก็คือทุกเช้าที่มาพูดก็คือจะนําเรื่องที่คุยกับอีกกลุ่มหนึ่งนั่นมาถอยทอดตรงนี้ด้วยบางบางประเด็นอาจจะซ้ําบางประเด็นก็จะเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมานะ เมื่อวานที่ตรงนั้นเราคุยกันคือมีการพูดคุยสนทนากันนะไม่ใช่เป็นการฟังบรรยายหรือฟังพูดฝ่ายเดียวไม่ใช่เดียวไมโครโฟนแอนดังเช้าจะเป็นการเดียวไมโครโฟนดังนั้นก็จะเป็นคุยกันว่าเคําคําเนี้ยทําไมเราต้องคิดฮะโดยเฉพาะวันนี้วันปีใหม่ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยสวัสดีปีใหม่ทุกคนแล้วก็เป็นการเริ่มต้น สิ่งใหม่ๆนะวันนี้นะเพราะนั้นวันนี้มีคําพูดอะไรใหม่ๆก็ยังแปลกใจว่าเราปีใหม่ก็ศึกษาสิ่งใหม่ๆบ้างเราเราคุยกันถึงเรื่องว่าทําไมคุณต้องคิดความคิดมาจากไหนโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันจิตตานะเมื่อวานถือว่าเวทนานุปัสนาจบนมานะวันก่อ น, นเราพูดถึงกายนะเมื่อวานนเวทนาจบละแต่วันนี้เราขึ้นถึงเรื่องจิตตานุปัสนาแล้วก็เรื่องของความคิดมาพูดกัน โยมคนนึงถามเอ๊ะผมมันไม่มีเวลาเลยนะที่จะไม่คิดมันคิดตลอดมันมาจากไหนมันมาจากไหนอามาก็พูดถึงว่าถ้าพูดถึงจิตรู้สํานึกรด้จิตไร้สํานึกที่เราพูดกันวันก่อนเนี่ยขอดอกยำ้ำเรื่องนี้อีกครั้งนึงเพราะมันเป็นที่มาของความคิดถ้าหากว่าพูดจิตถึงรู้สํานึกไร้สํานึกมันก็จะไม่เห็นภาพเพราะว่ามันเป็น กึงรูปทํานามธรรมส่วนใหญ่มันก็ข้างจะเป็นนามธรรมแหละเอามาก็นึกเอามาก็พูดถึงการสร้างบ้านทางยุโรปทางอเมริกาซึ่งอากาศต่างจากเราใช่ไหมหนาวก็หนาวสุดๆหนาวจะตายร้อนก็ร้อนไปไงร้อนก็ร้อนจะตายเหมือนกันนึง <laughs> มันไปในหนาวร้อนพอดีที่ไม่ตายแบบบ้านเราวันนี้ร้อนจะตายถ้าไม่มีแอช่วยตายจริงๆนะบ้านเราสมมุติวรย่างสูงสุดก็แค่4ี่สี่สิใช่ไหม แา่เมรกาต้องถ้าหน้าร้อนเขาต้องห้าสิบห้าสิบขึ้นก็ร้อสิบฟาเรนไฮร้อยบห้าบางปีถึงร้0ยี่สิฟาเรนไฮนั่นหมายถึง5้าสิบขึ้นแลวใช่ไหมห้าสิบหสิองศาเซนเชเยนดละเพราะฉะนั้นร้อนก็ร้อนตาหนาวก็หนาวจหนาวก็หนาวเป็นน้ำแข็งเนี่ยท่อเธออะไรต่างที่ไม่พันไม่อะไรไว้ก็แตกหมดน้ำมันเป็นน้ำแข็งแล้วมันระเบิดออกมาเพราะนั้นท่อที่ ยุอเมริกาเขาจะฝังลึกมากเพราะว่าเพื่อมาให้มันระเบิดแต่ไหนที่มันโผล่ขึ้นมาบนดินเขาก็จะใช้ฟองน้ําพันเอาไว้หนาวก็หนาวจะตายร้อนก็ร้อนจะตายเพราะฉะนั้นเขาจะต้องจําเป็นต้องมีฮีทในหน้าหนาวมีแอร์ในหน้าร้อนแล้วในบ้านนะยัเป็นต้องทําเป็นมีเบสเมนต์คือใต้ถุนใต้ห้องใต้ดินเพื่อที่เก็บพวกเนี้ยเพื่ออุปกรณ์แอร์อุปกรณ์ ฮีอะไรเนะี่ยว่าใต้ถุนบางแห่งเขาก็ไว้บนเขาบ้านหลายชั้นก็ไว้บนหลังคาแต่ว่าบนหลังคามันเสี่ยงตรงที่ว่าไฟช็อตไฟนี้ขึ้นมามนจะไหมแต่ว่าใต้ถุนนันปลอดภัยแล้วของสิ่งต่างๆที่ไม่จําเป็นทั้งหลายเนะี่ยเขาก็จะเก็บไว้ในเบสเมนคือใต้ถุนบางแห่งมันล้นเพราะคนบริการนั้นชอบชอปปิ้งใช่ไหมชอบทุกทกวันทุกอาทิตย์ของมันก็จะล้นบ้านก็เลยเก็บไปไว้ใต้ถุนนั่นแหละ เห็นภาพใช่ไหมเห็นภาพบ้านเมืองไทยก็เราเหมือนกันขนาดว่าไต้ถุนยังไม่พอเก็บต้องไปเช่าอะไรเซลสตรเรตสตรเรตมันจะมีที่สร้างสโตรเรตที่เก็บของเยอะแยะไปหมดน ะ, ะบางคนก็เช่าทัา้งปีปีละบางคนก็เช่าเป็นเดือนเอาของที่มันเหลือเศษไปเก็บตรงนั้นนั่นคือภาพที่เรามองเห็นเป็นปรูปธรรมแต่ในส่วนานมามธรรมก็คือในชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีสองชั้น ชั้นที่เป็นจิตชั้นบนเนี่ยชั้นบนนี่คือของจำเป็นที่ต้องใช้เก็บมาไว้ชั้นบนใช่ไหมของที่ไม่จำเป็นต้องใช้หรือใช้ปีละครั้งหรือเดือนละครั้งก็เก็บไปไว้ใต้ถุนนะแต่ของที่จำเป็นใช้วันนี้อาทิตย์นี้ก็ไว้บนในกรณีที่บ้านเั่นเดี๋ยวเก็บรวมกันวันนี้หมดในภาวะจิตก็เช่นเดียวกันมาด้วยมีจิตอยู่สองชั้น จิตชั้นที่เราจะต้องใช้กันทุกๆวันทุกเวลานาทีนี่เขาเรียกว่าจิตรู้สำนึกนะถ้าจิตที่มันรับอะไรๆเข้ามาแล้วยังใช้บางไม่ได้ใช้บางเก็บไว้ที่จิตใต้สำนึกคือเบสเมนต์คือใต้ถุนนะหรือสตอลเลดเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือมันก็จำลองไปจากจิตของเรามันก็เกิดสำนึกนั้นขึ้นมาเมื่อ เราต้องการให้เป็นจิตรู้สำนึกจิตรู้สํานึกมีสองแบบหนึ่งจิตรู้สํานึกโดยสัญชตาตญาณสองจิตรู้สํานึกโดยปัญญาญานนะทีนี้อจิตรู้สํานึกที่เป็นสัญชตาตญาณเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้ว บางครั้งมันถูกแต่ในนะมันก็ปนสลับกันไปสลับกันมานะส่วนใหญ่ถ้าขณะที่เราทำพูดคิดด้วยจิตรู้สำนึกมันจะถูกมากกว่าผิดแต่ถ้าเราทำพูดคิดด้วยจิตได้สำนึกมันก็จะผิดบ้างถูกบ้างหรือบางทีผิดมากกว่าถูกไม่ว่าการพูดคุณพูดผิดนี่นะพูดใหม่คุณทำผิดเออคุณพูดถูกเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้มีสติอะไรนะแต่ด้วยจิตได้สานึกมันมีจิต ตืนจิตรู้สํานึกเข้าไปปนอยู่บ้างในเปอร์เซนที่สูงในเปอร์เซนที่สูงมันก็มีส่วนถูกมากกว่าส่วนผิดแต่ถ้าหาว่าจิตไดสํานึกมันมีเปอร์เซนปนที่สูงกว่ามันก็ผิดมากกว่าถูกในชีวิตวันของเราใช่ไหมทีนี้ก็คือเป็นก่อให้เกิดปัญหาและความทุกข์ติดตามมาชีวิต่วงเราก็สุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างสลับก็อยู่อย่างนี้แหละเพราะจิตสองดวงสลับกัญใช้ขึ้นอยู่กับว่าใครมี ตัวสัญชาติญาณกับปัญญาญาณอันไหนแรงกว่าในโดยที่โดยธรรมชาติของเราก็มีปัญญาญาณอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่ว่าปัญญาญาณ น, นั้นจะเป็นปัญญาญาณของสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นเองนะบางคนถูกที่สุดแล้วนะแต่ก็ยังพลาดเพราะมันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่คือความซับซ้อนของจิตนะ เอาละทีนี้ถามว่าตั้งประเด็นแรกว่าความคิดมาจากที่ไหนเมื่อใดก็ตามที่เราสติสัมยะญเราอ่อนหรือพล่องลงไปตัวจิตใต้สานึกที่มันอยู่ใต้เนี่ยที่เบสเมนต์ที่ใต้ถุนเนี่ยมันก็แอบขึ้นมาทำหน้าที่ของมันทีนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยถามว่าเรามีสติสัมยะที่เป็นปกติเนี่ยมากหรือน้อย อ่อนหรือแข็งอย่างนี้ดีกว่ามีอยู่แล้วล่ะแต่จิตใต้รู้สำนึกในจะอ่อนหรือจะเข้มแข็งถ้าหากว่าคนที่มีสติสัมยาอ่อนมากๆความคิดก็จะมากเพราะจิตที่ได้สํานึกวนแอบขึ้นมาทํางานทีนี้จิตใต้สํานึกเนี่ยเป็นที่รวมทั้งเป็นขยะมหาศาลเลยที่ตรงนั้นมันมาจากไหนตลอดเวลาที่ ตาหูจมกูกลิ้นกายใจของเราที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยได้กระทบกับรูปเสียงกลิ่นโดสัมผัสถ้าเราไม่มีสติตามรู้ในการกระทบทุกครั้งเหมือนเราดูของไปที่ห้างร้านอันนี้ชอบไปของอันนี้ชอบใจความชอบใจมันเกิดขึ้นบางเราก็ไม่ได้เจตนาที่จะชอบใจหรือบางครั้งก็ไม่ได้เจตนาที่จะไม่ชอบใจ แต่ความชอบใจหรือไม่ชอบใจจะเกิดขึ้นโดยจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามมันได้เก็บเอาไว้ที่ไหนไไจิตได้สํานึกเรียบร้อยแล้วแล้วเสียงอ่ะเสียงที่วงคนพูดมาบางครั้งเราก็ชอบบางครั้งไม่ชอบอจิตรู้สํานึกเราปฏิเสธได้ใช่ไหมไม่ชอบเราไม่สนใจถ้าชอบเราก็คุยกันต่อไปคิดกันต่อไปจิตรู้สํานึกมันสามารถตอบสนองได้แต่ก่อนหน้าที่จิตรู้สํานึกจะตอบสนองว่า จะชอบหรือไม่ชอบมีอาการต่อกายต่อวาจาเนี่ยจิตไร้สานึกเป็ น, ปนไงได้เก็บเรียบร้อยแล้วได้เก็บข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จึงเรียกจิตนี้ว่าเป็นจิตไรสานึกหรือ c o n s c i o u s ยสแต่ถ้าเป็นจิตรู้สำนึกเราใช้คาว่า My conscious หรือมนุวิญญาณ s u b c o n s c i o u s เราใช้ภาษาอังกฤษรภาษาบาลีว่า พังค่าจิตนะพังฆ่าพังฆวิญญาณหรือหลวงพ่อทิศเนี่ยฮันนใช้คำว่าอาระยาวิญญาณกับมนุวิญญาณอาระยะวิญญาณคือตัวที่มันมาอาศัยอยู่ข้างใต้จิตของเรานีแหละอันนี้คือที่ไปที่มาว่าทําไมความคิดมันเผลอไม่ได้เผลอแล้วก็คิดแต่ในช่วงไหนที่มันไม่เผลอคิดมันก็เผลออะไรเผลอง่วงอ่ะเผลอง่วงเผลอหลับตานี่ ก็คือตัวที่เรารับรู้แต่ยังชอบหรือไม่ชอบมันยังไม่เป็นนั้นภาวะที่เราไม่มีสติเนี่ยแม้แต่เราพอใจไม่พอใจไม่มีแต่มันมีความรู้สึกเฉยเฉยมันก็เก็บเอาไว้เหมือนกันและความรู้สึกเฉยเฉยที่ด้วยขาดสติเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปของอะไรโมหะตัวนี้ก็เป็นที่มาของเวทนาเชื่อมกับเมื่อวานใช่ไหมตัวที่เราเก็บไว้ เก็บความรู้ที่พอใจด้วยขาดสติมันก็ออกมาเป็นสุขเวทนาที่ขาดสติเราเก็บความไม่พอใจด้วยขาดสติมันก็โผล่ออกมาด้วยความรู้สึกที่เป็นเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาใช่ไหมเราเก็บความรู้ที่มากระทบด้วยไม่จิตนาด้วยความไม่รู้แหละเฉยๆมันก็ออกมาเป็น ทุกขมสุกเวทนาแล้วก็พัฒนาเป็นอะไรที่ว่าเมื่อวานนั่นแหละราคาโถสามูหาตามลำดับมาจากจิตตัตวนี้คือจิตได้สำนึกซึ่งได้ถามเมาื่อวานว่าถ้าเครื่องบินตุงเนี่ยเขาหาอะไรก่อนนะใช่ไหมต้องหาบล็คบ็อกก่อนต้องหากล่องดำก่อนเพราะหนวความว่าอะไรเกิดขึ้นในรอบตัวเครื่องเนี่ยมันมนเซนเซอร์มันจะรับเข้าไปสู่ในกล่องดาทั้งหมด เมื่อเครื่องบินตกเขาก็ต้องหาตัวนั้นว่าสาเหตุมันตกเพราะอะไรเขาก็จะรู้อย่างตัวนั้นอันนี้ทั้งรูปทำนำทำมันมนสอดคล้องกันหมดเลยที่เขาเอามาใช้ในการค้นพบจากตัวปรมัตดตัวนี้ดังนั้นเองในการศึกษาในการปฏิบัติมันจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาสร้างจิตรู้สํานึกเนี่ยให้เข้มแข็งดังได้กล่าวแล้วว่าจิตรู้สํานึกเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างทั้งถูกและทั้งผิด ทั้งจำเป็นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิลำพังสติสัมมาชยยะที่ทุกคนมีอยู่ที่ได้มากับชีวิตจิตใจตั้งแต่กําเนิดนี่นะที่ยังไม่ได้ฝึกฝนหรือฝึกฝนแล้วในทางที่ไม่ถูกมันจิตรู้สํานึกตัวนี้ก็ไม่สามารถจะบอกเราได้ว่าเราจะทําอะไรถูกทั้งหมดมันก็ทั้งถูกทั้งผิดทั้งๆ่า ท, ที่เรามีจิตรู้สํานึกอยู่ดังนั้นการที่มาเจริญสติสมาธิปัญญานี้ก็คือมา หนึง่งคือมาสร้างจิตตัวรู้สํานึกให้มากรู้ตัวนะ่ะรู้เนื้อรู้ตัวใน่ะให้มากสองเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็มาฝึกความรู้เนื้อรู้ตัวนี้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิอีกทีหนึ่งไม่ใช่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วจะเป็นสัมมาทิฏฐิทุกคนไม่ใช่นะก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นเจ้าสํานักทั้งหลายเนี่ยเขาก็สอนเรื่องสติกันทั้งนั้นก็สอนเรื่องกรรมฐานกันทั้งนั้นแต่ทําไมภาพที่ออกมามันไม่ไม่เหมือนกันนะ่ะถูกบ้างผิดบ้างใช่ไหม เราก็พาเราหลงทางไปทางอื่นบ้างเยอะแยะก็พระกรรมาฐานดังนั้นแหละใช่ไหมาพาไปเรื่องทรงเจ้าเข้าพีชาไปเรื่องของนรกสวรรค์พานอกตัวนะ่ยพาไปในเรื่องของการเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดออกมาเรื่องของพลังของขังศักดิ์สิทธิ์พลังอะไรต่างๆที่มันมีมาก็เนื่องจากว่าเป็นจิตรู้สํานึกด้วยกันแต่ว่ายังไม่มีทิฏฐิวิสุทธิ คือทิฏฐิยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่เป็นสมาทิฏฐิยังเป็นตัวทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ดังนั้นเองการมาฝึกของเราเนี่ยบางครั้งเราเจตนาดีดีนะเจตนาที่จะทํามีศรัทธาดีมากมีความเพียรดีมากแต่ว่าศรัทธาและความเพียร น, นั้นถ้าไม่ประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาที่เป็นสมาทิฏฐิศรัทธาและความเพียรก็นําไปสู่ ตามหลงและงุ่มง่ายนะมันยังไม่บริสุทธิ์ดังนั้นเราก็จึงมาปรับซึ่งวันก่อนน้นเราพูดถึงเรื่องของศรัทธาที่จะนำไปดูความถูกต้องใช่ไหมจำได้ไหมวันแรกศรัทธาที่จะนำไปสู่สมถะทิฏฐิแบบแบบความรู้ตัวเนี่ยต้องศรัทธาในอะไรหนึ่งศรัทธาในการกระทำของตัวเองใช่สอง เมื่อลงมือทําไปแล้วต้องเห็นผลชัดๆว่าการกระทําเนี่ยมันออกมาอย่างนี้ใช่ไหมสามเราก็รู้ด้วยว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยเราสัมผัสมันได้ไหมเราเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นชัดเจนไหมหรือทําไปลวมๆเรื่องแรงสัมผัสอะไรไม่ได้สเราสามารถที่อยู่เหนือการกระทํานั้นได้ด้วยอันนั้นคือเป็นสรัทธาที่ถูกต้องตามภาษาปริยัติท่านใช้คําว่า กรรมวิสตากรรมวิปากศต า, ากรรมสกาสา ต, าตาศตาตถาคตาโพธิศตาอันนี้คือตัวที่จะไม่นําเราไปสู่ความหลงนะแล้วศตาทางอื่นเยอะแยะมากมายที่ได้กล่าวมาวันก่อนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่ององค์ประกอบอันที่สองที่จะนําไปสู่ตัวส ม, มาธิฏฐิที่จะนําตัวสติสัมธิปัญญาไปสู่ส ม, มาธิฏิตัวนี้ฟังให้ดี ในเรื่องของความเพียรพยายามเนะี่ยทำคนเยอะนะโดยเฉพาะวิธีการของพุทธิ์เนี่ยนะทำความเพียรเยอะมากเลยนะเพราะในวิธีการอื่นเนะี่ยมันมีความจํากัดว่านั่งนานนั่งไม่ไหวก็ก็เลิกเพราะว่าจํากัดจํากัดอิริยาบทต้องนั่งเป็นไงมีรูปแบบนั่งใช่ไหมขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงดํารงสติมัน่นตัวนั่งนิ่งดิง้นดับหลับลึกนะ่ะ oh หูห oh, เข้าชานไปเลยเนี่ยมันมีรูปแบบที่จํากัดอย่างนั้นแต่ของเรานี่นั่งคันหน้ายิ้มปลอไปแหละเวลานั่งความเพียรไม่ไม่เป็นสมาธิเอาเลยว่างแต่ทําไมเป็นเก็ เ, เกบิกบานตลอดอนะคนมันไม่เมบิกบานมันก็หูไปบ้าง บ, บางครั้งนะั่นแหะ หุบคอตกเลยว่างั้นเถอะเพราะว่าถูกไอ้ไฟเผาก็คอตกหุบแล้วว่ากนเนี่ยมันไม่เบิกไม่บานแต่ถ้าคนไหนทําแล้วเบิกบานนีหน้ายิ้มแย้มแจม่มใสหน้าตื่นเอออันนี้ก็เรียกว่ารู้ตื่นเบิกบานที่จะเบิกบานได้อย่างนั้นเพราะความเพียรที่เราทํามันมีผลนี่ความเพียรที่เป็นสัมมาทิฏฐิท่านใช้คําว่าสัมมาวายามาซึ่งมีองค์ประกอบแบบเดียวกับศรานั่นแหละ อยู่ประกอบแบบเดียวกั น, น4ประการหนึ่งขณะที่เรานั่งทําเนี่ยเราต้องรู้ว่าตัวปัญหาและอุปสรรคอะไรกําลังเกิดขึ้นแกเราในขณะนั่งทำํำคนนี้สํารวจตัวเองขณะนี้อะไรกําลังเป็นปัญหาอุปสรรคของการนั่งที่เราจะต้องเปลี่ยนออกมาบ่อยๆ อ, ยอะอความปวดความเมื่อยใช่ไหมทุกขเวทนานี่ตัวปัญหาอุปสรรคแล้วนะให้ระวัง ให้ระวังตัวปัญหาโวยสักตลอดสองเมื่อระวังยังไรมันก็เกิดเพราะอะไรเพราะมันเป็นรูปใช่ัหมรูปต้องเป็นไปนตามกฎของอะไรของใตรักของแตรักก็มันเปลี่ยนแปลงก็ไปสู่ทุกขังคือตัวผลตัวเหตุมันคืออะไรตัวเหตุของทุกคืออันิจังใช่ไหมเพราะมีการเปลี่ยนแปลงมันถึงเกิดนำไปสู่ตัวทุกขงัง ทีนี้เมื่อเรานั่งเฉยๆเนี่ยเราไม่มีการเปลี่ยนมันก็ไปขัด ก, กระกูของใจรักษใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นการปรับเปลี่ยนนั้นก็คืออันที่สองอันที่หนึ่งคือคอยระวังเฝ้าดูว่าอะไรจะเกิดใช่ไหมรู้เหตุว่าชัดเจนว่าขณะเนี้ยปวดขาเกิดรู้เหตุแล้วว่าขณะนี้ง่วงเกิดขณะนี้อ่าความ อัดขัดเครืองเกิดขณะนี้ความตึงเครียดเกิดขณะนี้ความาเจ็บปวดบางส่วนของร่างกายเกิดขณะนี้ความคิดฟุ้งซ่านเกิดขณะนี้ความรังเลสงสัยเกิดขณะนี้ความขี้เกียจเกิดให้สํารวจ ด, ดูในสิ่งเหล่านี้ให้ชัดๆก่อนเมื่อมันเกิดแล้วมันก็เราอยู่เฉยได้ไหมไม่ได้ต้องทําไงมีการขยับปรับเปลี่ยน ตรงนี้สําคัญตรงขยับปรับเปลี่ยนนี้เราทําด้วยสัญชตาตญาณหรือทําด้วยปัญญาญาณตรงนี้สําคัญเ้าเรียกว่าปหานประธานการที่จะละเนี่ยเราจะละแบบไหนมันถึงจะได้เป็นตัวที่สามขึ้นมาถ้าเราละถูกต้องละการปวดตรงนั้นละการง่วงตรงนั้นละการเบรื่อตรงนั้นละการเหงาตรงนั้นละการเครียดตรงนั้นละความขี้เกียจตรงนั้นอย่างรู้สึกตัวเขาแล้วเขเปลี่ยนไป ตรงนั้นมันจะเกิดตัวที่สามเรียกว่าภาวนาประธานอนที่สองที่ที่เรารู้แล้วเราล้านนี่เรียกว่าประหารตัดออกแต่การที่จะประหารมันทำยังไงประหารแล้วมันเกิดเป็นองค์ภาวนาประหารแล้วมันไม่ใช่องค์ภาวนาถ้าประหารแล้วมันไม่ได้เกิดการรู้ตื่นรู้ขึ้นมามันก็เป็นอะไรสัญชตาตญาณทําด้วยความไม่รู้สึกตัวเปลี่ยนได้นะคุณปวดขาเขาเปลี่ยนปับ๊บแต่ว่าได้กําหนดรู้ในการเปลี่ยนไหมได้ตามรู้ในการเปลี่ยนไหม การไม่ตามรู้ในการเปลี่ยนว่ามันหายไปได้อย่างไรความปวดที่เราขาขาอยู่นี่เมืกีนะแล้วเวลาเปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกเบาสบายเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็ยังไม่เห็นอีกตรงนี้เป็นเปลี่ยนด้วยความเคยชินหรือสัญชัดยานจะไม่เป็นองค์ภาวนานะแต่พอเรามีการสมมุติเอาง่วงมันแก้งแก่ยากหน่อยนะไอปวดขาเนี่แก่ง่ายแต่ง่วง เราตามดูมันนะง่วงนี่ที่มันเป็นเหตุให้ง่วงมันเกิดปุ๊บปั๊บเกิดหรือว่าเกิดทีละนิด<ม>เกิดทีละนิดใช่ไหมถ้าเกิดทีละนิดถ้าเสร็จตัวภาวนาของเราเข้มแข็งเนี่ยมันจะรู้แล้วก็เกิดปัญญาว่าเออถ้ามันหนักกว่านี้นะกูแก้มันยากนะเพราะนั้นจัดการมันซะก่อนบางครั้งเห็นไหมมาเดินดูนะมาก็เดินหลบกข้าป่าไปเป็นพักๆเพราะอะไรเพราะมันสู้ไม่ค่อยไหวแล้วนะไปก่อนดีกว่าแล้ว อไปนู่นเดินกลับมาที่นี้ก็ตื่นโพร่งเต็มที่ก็ทําได้ยาวแล้วที่นี่เห็นไหมมันต้องรู้เหตุไม่ใช่โอ้มันล็อกคอจนอยู่ข้องายหลังแล้วยมยารู้ตัวเนี่ยเอาไม่ไหวหรอกมันหนักเกินไปนะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนะเอามาก็เยิมย้มเดินไปด้านหลังกุฏิเห็นท่านนั่งงายหลังอยู่ก็เลยไปรูปหลังเล่นนะให้ตื่นก่อนต้องแก้ต้องต้องมีคนอื่นมามาแก้มันถึงจะตื่นให้นะอันนี้ อันนี้หลับภายนอกนะหลับภายนอยไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมใครไม่รู้เราบอกว่าเราหลับภายในนะนะก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกเสร็จแล้วตัวที่เราขยับอย่างรู้เหตุเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดอย่างรู้สึกตัวอันนั้นคือองค์ของภาวนาเรียกว่าภาวนาประธานองค์ที่สองกับที่สามสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราขยับปรับเปลี่ยนให้ความงุ่งเหงาเฮานอนออกไปด้วย การหนีหรือด้วยการไปอาบน้ำดีกว่าคือนอนมันสักงีบหนึ่งอันนี้การตอบสนองด้วยด้วยอะไรด้วยความอยากแล้วด้วยสัญชตตาตญาณแล้วก็จะไอ้นุมงไปไหนเดี๋ยวผมไปล้างหน้าไปอาบน้ำสักหน่อยเอ้าทำไมผมง่วงเหลือเกินเลยงนเองันเดียวเยเพิ่งไปลองทำทางนี้เล่นๆดูสิก็ชวนทานู่นทำนี้ก็หายโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาไปล้างหน้าเดินทางไกลใช่ไม อันนี้ก็คือมันหนักแล้วอ่ะดังนั้นบางทีหนักแล้วถ้าเจอกริยามิตรก็จะแก้ไขได้ง่ายๆถ้าไม่เจอกระเดมิตรเราก็ตามมันไปแต่บางคนมีสติเป็นกระเดีมิตรคือคอยสํารวจว่าอาการต่างๆที่กล่าวมาไม่เคียว่ามันมีอสามระดับใช่ไหมเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแน่นอนที่สุดเราแก้ไขยากแล้วเราต้องหนีมันลูกเดียวแต่เบื้องต้นในท่ากลางถ้าสติเรามาทันเราหาทางแก้ไขได้อยู่อ่า แล้วก็สร้างกรณีแวดล้อมให้ไม่ให้เอื้อต่อการเกิดนิวรณ์นะกรณีแวดล้อมอย่างไรเช่อนอย่านั่งแช่นานเกินไปเวลานั่งเก้าอี้ก็อย่าพิงหลังนะเวลานั่งนานนานก็ให้ขยับปรับเปลี่ยนเสื้อบ้างหรือเวลานั่งก็อย่าหลับตาทํานองเนี้ยคือแก้ไขไ อ, ตอ้ตัวบริบทตัวไอ้ไอไอสิ่งแวดล้อมที่มันจะทําให้เกิดภาวะอันนั้นนะให้ได้ก่อนเบื้องต้นเนี้ยแต่ส่วนใหญ่เราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ไหม ไม่ฉันโนั่งประเฝือกนั่งตามสบายของฉันนะมันก็เกิดไวสิเพราะว่าเราไม่เกิดโยนิสูไม่เกิดตัวการพิจนารณาจุดนี้นะเสร็จแล้วถ้าหากว่าเรามีการคนไหนที่เฉลียวใจมีความารอบคอบในเสิ่งนี้นิวรณ์ก็จะเข้ายากหน่อยเพราะอะไรเพราะรู้เหตุทั้งเบื้องต้นทั้งกลางแล้วก็แก้ไขแต่คนที่ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์แล้วไม่สนใจที่จะแก้ก็ปล่อยให้ เราก็าไปเสพนิวรณ์เพราะนิวรณ์ที่มันมีปัญหาก็เพราะมันมีรสชาติอยู่ด้วยรสชาติของนิวรณ์ได้ง่วงแล้วมีแรงอย่างนี้นะได้ขี้เกยียจแล้วสได้พักไอ้นนี่น ะ, ะได้หาเรื่องมาคิดแล้วได้ฟุ้งแล้วถึงมันตื่นดีนะหาเรื่องมาคิดดีกว่านี้กวง่วงมันก็มีรสชาติในตัวของมันนะนะ่ะอันนี้คือวิธีแก่ตัวหนึ่งมันไปเกิดอีกตัวหนึ่งนี่ต้องระวังนะมากินยาตัวนี้ปับ๊บมันไปเลิกเกิดโลกตัวนี้ปั๊บเนี่ยไม่ได้ อันนี้ตัวหนึ่งที่จะทําให้เกิดปัญหาเราเคยดูแยบคายเมื่อเราเข้าไปดูแยบคายอย่างนี้ภาวนาประทานก็เกิดเมื่อภาวนาประทานคือการแก้ปัญหาได้บ่อยๆสักตัวอย่างหนึ่งในครั้งต่อไปมันก็แก้ได้เรื่อยๆการรักษาระดับของความรู้สึกตัวเพื่อที่แก้ปัญหาเฝ้าดูปัญหาที่เกิดแล้วแก้ได้ทุกครั้งเนี่ยท่านบอกว่าให้รักษาเอาไว้ ให้ดำรงมันเอาไว้เรียกมนเทนแนนดำรงมันไว้คืออนุรักษณาประธานนี่ความเพียรที่ถูกต้องเป็นสมมาวายามะนะหนึ่งอะไรนะระวังเหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่ให้มันเกิดสองเมื่อมันเกิดแล้วก็ให้ศึกษามันชัดๆตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุด ทันตอนไหนเอาตอนนั้นนะการที่เข้าไปศึกษาทํำกลางต้นแล้วแก้ไขได้ก็จะได้องค์ที่สามคือภาวนาประธานและการแก้ไขบ่อยๆจนกลายเป็นความตื่นรู้ทีเลนิตินีน้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้ทุกครั้งเมื่อมีอปวิสักเกิดขึ้นอนุรักษนาประทานก็ตามมาอันนี้เรียกว่าความเพียรที่ถูกต้องถ้าเรามีสถานและความเพียรที่ถูกต้องอย่างนี้ตัวสติสมาธิ ปัญญาที่ตามมาก็ยาถูกต้องไปหมดดังได้กล่าวว่าเมื่อวานว่าเมื่อสติที่ถูกต้องแล้วมันพัฒนาเป็นอะไรสัมปัญญาสัมภยะที่ถูกต้องพัฒนาเป็นสมาธิสมาธิที่ถูกต้องพัฒนาเป็นปัญญาของมันเองทำสติเรื่องเดียวแต่ทำให้มันถูกแล้วมันจะพัฒนาไปในทางที่ถูกของมันเองนะตอนนั้นอันนี้คือการเข้าไปจัดการที่นี้ย้อนกลับมาเรื่องของ จิตตื่นรู้ที่เป็นมิจฉาที่มันผิดกับจิตตื่นรู้ที่มันเป็นสัมมาที่มันถูกเป็นอย่างไรประเด็นว่ามาไม่ขี้เข้าใจนะชัดไหมเอาไปทำถูกนะวันนี้ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ่านั่งง่วงให้เห็นดีกันแล้วกันในวันนี้หรือว่า ง, ง่วงขึ้นมาหอบเสือไปหาน้ำอาบหรือหลบไปคุยกันนี่ไม่ไม่มีแล้ววันนี้นะ ทีนี้มาดูว่าจิตตื่นรู้อย่างไรมันถูกจิตตื่นรู้อันนี้รายละเอียดนะมากขึ้นนะมาขอนําเหตุการณ์อย่างหนึ่งมาประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเมื่อเมื่ อ, อที่ผ่านมาที่ว่าไปจัดอบรมอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่สองเดือนเนี่ยเพราะว่าคนลาเขาจัดมาเป็นชุดเป็นชุดคนไทยบ้างจากปรารีสจากเยอรมันจากสวิตเขาจัดกันมาเป็นชุดชุดลยเจ็ดวันเจ็ดวัน อยู่สองเดือนทีนี้ช่วงเสร็จโครงการเนี่ยทางวัดเขาก็คล้ายๆว่าสมนาคุณในเรองนั้ น, เ, นเขาจะพาทั่วในประเทศใกล้เคียงไปสวิตเป็นเยองมนีเทแรนอิตาลีใกล้เคียงเนี่ยเราก็ไปกันแต่ว่าเวลาเรามันน้อยไปหมดไม่ได้แล้วก็อพอดอีพระครูหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันอยู่วัดประยูน ชื่อท่านสุทินแต่ท่านได้าราชทินนามว่าพระครูวิเทศธรรมบดิต ท, ท่านเป็นอมพฤึกอมภาตมาหลายปีทุกไม่ได้นั่งก็ลําบากเพราะท่านไปเป็นเจ้าวาดอยู่วัดธรรมวิหารอยู่ที่ไอสวิต ท, ที่โลซานนี่ก่อนออกเดินทางไอคนขับเนี่ยมันก็ตั้ง GPS ว่าโรซานนั่นนะตั้ง GPS เรียบร้อยแล้วก็วิ่งไปตามนั้นพอไปถึงเพน แล้วก็ถามปลายทางว่าเออมารอที่ร้านเชียงไฮ้นะผมจะไปรับที่นั่นพอไปถึงที่นั่นเราวิ่งจากไอสตาร์บกชายแดนของฝรั่งเศสไปที่ไอเมืองโรซาร์เนะียประมาณสองชั่วโมงก็โทร บ, บอกว่าเออตอนนี้ผมมาถึงร้านเซี่ยงไฮ้แล้วนะแล้วเดี๋ยวผมออกไปรับเอาเงนินเออเราก็รอตั้งครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มาอ่าร้านเซี่ยงไฮ้ก็ผมมาถึงร้านเซี่ยงไฮ้แล้วนะทำไมไม่เจอท่านเอาเงนินะ ก็มาถามไอ้เจ้าของร้านพอดีเจ้าของร้านนี่ก็เป็นเป็นร้านของคนจีนแต่ลูกสาวพูดไทยได้เราไปถึงนั้นแล้วก็จะฉันเพลนแล้วกลับว่าไปถึงที่วัดเพลนพอดีใช่ไหมเขาเขบอกเออเมื <in> ่อคืนนี่หนูฝันว่างั้นนะฝั <f ums> นว่าไงฝันว่ามาพระมาที่ร้า <f> น <ums> ว่าฉันเพลนที่นี่พอดีเลยหนูเลยจัดกับข้าวไว้เรียบร้อยแล้วว่างั้นโอ้ยหนูทำไมมึงฝันแม่นขนาดนั้นตลกจริงๆนะอะเราก็ฉันเพลนที่นั่นเลยนะเออ ทีนี้พระท่านต้นปลายทางที่วัดธรรมมิถันก็ถามเออที่ใกล้วัดของเราก็มีร้านเสี่ยงไห้เหมือนกันนะว่า ง, งั้นดนะังนั้นกเวลาเสียงไห้เหมือนกันเนี๋ยวผไปที่ร้านนี้นะอ้าวก็ไปถามโซเฟอร์ว่าไอตอนที่เข้า GPS เนี่ยเกิสะกดยังไงโรซานเนี่ยมันนะเมืองนะั้นเป็นเมืองลุยเซิร์นอีกเมืองเป็นเมืองโรซานมันสะกดคล้ายๆกันเลยนะลุยเซิร์นกับโรซานนี่นะเราปรากฏว่เราไปเมืองลุยเซิร์นไม่ได้เมืองโรซาน เอามาโอ้ขนาดตั้งเจตนาอย่างดีแล้นะว่าจะไปที่ที่วัดไอ้โดยสารเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมาพี่เจนามันก็ไปสอดคล้องว่าอีหนูเจ้าของร้านมันฝันเมื่อคืนว่าพระมาที่ร้านมันโอ้อำนาจยิดไร้สํำนึกมันแรงขนาดนี้เลยอะที่มันฝันเมื่อคืนนั่นนะเราก็ไปฉันเพที่นั้นเสร็จนั่งรถจากเมืองลูเซิรนมาลูเซารนอีกสองชั่วโมงนะฮะก็จะถึง ออามาเราตนึกรำดับเหตุการณ์ว่าทำไมไมันเป็นอย่างนั้นตอนที่ออกเนี่ยเราก็ตั้งสติกันอย่างนี้แต่ว่าไอ้คนขับรถเนี่ย ช, ชื่อคุณบุญล้นเนี่ยแกแกมั่นใจว่าแกจะไปถูกนะแก ค, คนแถวนั้นแกก็เข้าถูกเข้าผิดไม่ต้องดูจีเพสเี่ยหลวงพ่อแถวที่ผมไปมาทั้งนั้นมือนกันนะอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าการที่เราตั้งใจรู้สำนึกอย่างดีมีสติอย่างดีนะ มันก็มีโอกาสพลาดเมื่อมีอำนาจบางอย่างมาหักเหและเบี่ยงเบนเอามาเข้าใจว่าเป็นเทวดาพาไปในะงานนี้นะเทวดาพาไปทำให้เราต้องดูอะไรพลาดมโม่ๆไม่ชัดทั้งหมดแล้วความเชื่ออย่างนี้มันมีอยู่ในคนชาวพุทธเรามากนะแล้วก็ทำให้เราค่อยเขลดังนั้นแม้ว่าเราจะมีสติแล้วยังมีโอกาสที่เป็นผิดพลาดแต่ไม่ถึงกับมิฉาทิฐิตรงนะเข้าใจพลาดอะไรบางอย่างนะ ท่านั้นจุดนี้เองก็ทำให้เราจะต้องพิจารณาหลายๆรอบนั้นเวลาเราว่าหน้โมก็ดีทำไมต้องว่าสามรอบพุทธังธมังสังขังเรไม่พอนะต้องมาทุติตติอีกเวลากราบก็ต้องเท่าไหร่ส า, สามครั้งอ ะ, อะไรสามสามนี่แหละเป็นองค์ตรยางเนี่ยศีลสัมปัญญารัรราตนตรยอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนการตอกย้าว่าแต่ละครั้งเนี่ยคุณต้องเช็คถึงสามครั้ง ครัแล้วดนะับเบิลเช็คนีจะคุณจะเช็คกี่ครั้งก็ใช้ดับเบิลเช็คนะแต่ความจริงเมื่อไข้สครั้งต้องสาครั้งขึ้นไปถึงจะชัดเจนเพราะฉะนั้นตัวฟอกฝนตัวตื่นรู้ให้มันชัดเจนและถูกต้องเนี่ยรู้แล้วให้รู้ให้ชัดตรวจสอบให้การตรวจสอบนี่เองท่านใช้องค์ต่อมาว่าธรรมวิจยะอ่าพอมีสติถูกต้องแล้วถ้าไม่มีธรรมวิจยะเข้าไปหนุนเราก็มีโอกาสผิดพลาด อยู่กับผิดพลาดมากๆเลยที่นี้เราจะทําอย่างไรที่จะฝึกการตรวจสอบก็ฝึกไปจากการขณะที่เราภาวนาว่าเราลงมือตั้งใจปฏิบัติแล้วอย่าเดินจงกรมตรงนี้จะสร้างจังหวะตรงนี้ล่ะเดินไปเดินมาบ่า ย, า ย, อยตอนแรกว่าตอนบ่ายหลังหลบมาภาวนาทางนี้มันร้อนอะ่ะร้อนแล้วก็ มันไม่ใช่รูปร้อนแล้วมันกลายเป็นไข่ร้อนเราร้อ น, อนพอเราร้อนขึ้นมาเนี่ยมันชักเอออยู่ตรงนี้ไม่เข้าท่าแล้วนึกถึงตรงไหนนึกถึงตรงโน้นเออตรงโน้นเย็นกว่า น, นี้นะก็เลยห่อเสีอไปตรงนั้นอีกนะอันนี้คือเพราะความไม่แยบผายว่าขณะร้อนมากระทบปั๊บแทนที่ว่าเออรูปมันร้อนก็แก้ไขไปตามเรื่องใช่ไหมพอทุนได้ก็ทนไป ก็พยายามดูตัวร้อนความจริงแล้วเนี่ยความรู้สิกร้อนในตอนบ่ายตรงนั้นมันเป็นอุปกรณ์อย่างดีในการที่จะเฝ้าดูใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าเราไปไม่ไม่ได้เสด็จตอนแรกที่มันมากระทบปั๊บแทนที่จะว่ารูปมันร้อนใช่ไหมรูปมันร้อนมันเป็นทุกข์ก็ไปหาบรรเทาแต่ถ้าไม่บรรเทาก็ให้มีความอดทนหน่อยให้เออร้อนเนี่ยมันไม่ถึงกับมากแล้วก็ทนได้ดังนั้นนักปฏิบัติของเราที่ไม่ก้าวหน้าเพราะว่า ปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาความสบายใช่ไหมซึ่งมันตรงมันมันไม่ถูกอะ่ะเราปฏิบัติธรรมนี้เราไม่มาแสงใหาความ ส, วสบายนะเราแสวงหาอะไรความพอดีระหว่างควา ม, สบ า, มสบายและความไม่สบายแล้วอยู่ตรงกลางเพราะตลอดเวลานะมันจะมีสองตัวนี้ครองกายของใจตะลอดเดี๋ยวสบายเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี Rhodes ๋ยวทุกข์มากเดี๋ยวทุกข์น้อยสลับกันตลอดเวลาทีนี้เราจะหาตัวกลางได้ก้อนตรวจสอบแล้วแล้วเรา ถ้าหากว่าทุกขเวทนาถ้ามันเกินลิมิตถ้ามันเกินข้อจํากัดที่เราจะทนได้เนี่ยให้เปลี่ยนแปลงได้แต่ตรวจสอบกันว่าเราทนไม่ได้จริงไหมทุกขเวทนาทางกายเนี่ยมันหนักถึงขั้นที่จะไปบีบให้จิตเกิดทุกขเวทนาทางจิตได้หรือ ย, อยังถ้ามันไปเกิดซ้ำซากหลายครั้งแสดงว่าเราทนไม่ได้แนละ้วมันเกินความสามารถของเราตรงนั้นเราเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่ว่าตรงนี้ฉันจะทนจนกระทั่งว่ า, าทุกทั้งกายทั้งจิตก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้นี่เรียกว่าตรวจสอบลักษณะตรวจสอบที่เราทนได้ไม่ได้ตรงนี้ธรรมวิจยะต้องทำตรงนั้นเมื่อเกิดสติที่ถูกต้องแล้วธรรมวิจญามันเกิดเองในองค์ของสัมโพชฌงนะดังนั้นเองในเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเราจะต้องตรวจสอบบ่อย อย่าสมมุติว่าเรานั่งท่านี้ใช่ไหมนั่งท่าขาัศมเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปอีกท่าหนึง่งก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยตรวจสอบตรวจสอบไม่ใช่พลิกเลยนะตรวจสอบหนักเบาเอท่าสมมุติว่าเราพลิกเลยมันก็โอเคก็สบายแต่มันสบายเกินไปยังไม่ต้องพลิกทําไงก็ขยับนะก็ขยับพอขยับก็ก็พออยู่ได้ใช่ไหมนั่งต่อไปได้อีก หรือเราจะง้อเราจะหาวนี่ยมันไม่ใช่หาวปุ๊บเลยนะคุณเจรัญมันจะต้องมีการขยับใช่ไหมก่อนที่ปากจะอ้านี่เนะี่เราก็ดูบนทีละนิดนิดันหน้าอย่างไรนะไอ้ตัวเหตุมาจากอะไรเนี่ยซึ่งตัวนี้ไอ้ตัวการเข้าไปตรวจสอบเหล่านี้เป็นเป็นจุดที่สําคัญคือเราหาเหตุบางครั้งร่างกายของเรามันมีทุกขเวทนามากเกินไปมีความเจ็บป่วยบางอย่างเข้าครอบงําเราไม่สามารถที่จะไปไอ ทนได้ต่อภาวะที่บีบคั้นเราหาวแล้วหาอีกหาวแล้วอีกทั้งทงี่เราพยายามตามพยายามทนอยู่นะแต่มันก็เป็นอันนี้ต้องเข้าไปดูทุกเวทนาทางกายบีบเระมากเกินไปเราต้องแก้ไขด้วยการพักผ่อนบ้างด้วยการกินยาบ้างด้วยการไปลดทุกขเวินาตรงนั้นซึ่งเรื่องของการฝึกฝนการปฏิบัติถ้าเราเข้าใจในเรื่องของจิตรู้สํานึกและจิตได้สํานึกอย่างดีแล้วเนี่ยการปฏิบัติ ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องคนอื่นมาลุ้นเราให้ทําคนอื่นมาสั่งเราให้ทำไม่ใช่แต่มันเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งเมื่อคืนหลังจากออกจากวงสนทนาแล้วเนี่ยมีโยมคนหนึ่งพูดว่า เ, าเรื่องปฏิบัตินี้งั้นมันก็่ใช่จาเป็นต่อคนทุกคนสิงั่นนะเพราะถ้าหาว่าเราไม่ต้องการทุกข์อ่ะใช่ไหมเออมาฟังแล้วก็ใจชื่นหน่อยว่าเออแสดงว่าเข้าใจว่าเราเห็นความสําคัญว่าชีวิตจริงๆของเราแล้ต้องการอะไรต้องการทุกข์หรือต้องการสุข อคนที่รู้แล้วต้องการไม่ทุกข์แล้วไม่สุขแต่ตรงขนันคนที่รู้บางไปรู้ต้องการต้องการสุขอยู่นะเมื่อต้องการสุขมันก็เหวี่ยงไปหาทุกข์ต้องการทุกข์มันก็เหวี่ยงมาหาสุขอ ย, ยู่ง น, นั้นนหะแต่ถ้าเมื่อไรเราออกจากวงของมันเสียวงทั้งสองวงเนะี่ยวงวัดตัดทั้งสองวงเนะี่ยสุขก็ไม่เสพทุกข์ก็ไม่หนีอย่างงี้นนะก็ดูอาการทั้งสองอย่างเราต้องการตัวนี้มากกว่า แต่เบื้องต้นโอเคเรายังเข้าใจไม่ได้ภาวะที่เหนือสุขเหนือทุกภาวะที่ไม่สูขไม่ทุกเรายังสัมผัสชัดเจนไม่ได้เราก็ต้องเอาตัวอะไรไว้ก่อนตัวสุขไว้ก่อนอย่างน้อยมันก็ผ่อนคลายดีฝ่านะทุกไปหาสุขเราไปหาห่างสุขห่างทุก์ตามลำดับนะก่อนที่เราจะไปนิพพานเราก็ผ่านสวรรค์ผ่านพรหมก่อนใช่หม จะไปนรกหรือจะไปนิพพานเลยรู้สึกมันก้าวไกลเลยเกินนัก้าวห่างเลยเกินแต่วันใดที่เก่าวัณฑุขึ้นไปสวรรค์ไปนิพพานหมอแดงไม่ได้ค่อยสังเกตแล้วว่าเอาว่าเบ า, า, าตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นใ น, ในเรื่องเหล่านี้ต้องสังเกตตามลําดับเลยนะว่าความรู้สึกของเราว่าจากการที่ผ่อนคลายทุกขออกไปแล้วมันเกิดความสบายความสบายคือสุขเวทนาเป็นตัวร่วมอันหนึ่งที่จะทําให้เกิดองค์ของ ปัญญาถ้าจิตทุกข์มากมากบาทีปัญญาไม่เกิดแต่มันมันสบายขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีะตัวตั้งใจมีตัวสมาธิถ้าจิตร้อนโลนจิตกัดแกวงจิตที่เราร้อนมากมากเนี่ยปัญญามันไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเราไปเสพความสบายมากเกินไปก็ปัญญาเขาไม่เกิดเหมือนกันมันก็จะไปเกิดตันหาถ้าไปเสพความไม่สบายมากเกินไป ปัญญาเขาไม่เกิดมันก็จะไปเกิดมาณนะทิฏฐิไปเกิดอัตสัญญาขึ้นมาดังนั้นผู้ทยาชอาท่านจึงให้เลี่ยงทางสองทางธรรมเทศนากันแรกท่านท่านตัดเรื่องนี้เลยนะท่านไม่ได้ไดตัดเรื่องศีลเรื่องสมาธิอะไรท่านตัดเรื่องทางทางที่นักปฏิบัติไม่ควรเข้าไปทำมีสองทางคือทางอันที่หนึ่งความสบายเกินไปไม่ควรเข้าไปอยู่สองทางที่ ทุกเกินไปทรมานเกินไปก็ไม่ควรเข้าไปอยู่แต่มาหาตัวกลางที่พอทนได้ท้าเรียกว่ า, า, าห่างสายกลางหรื อ, อ ม, มัชิมาปฏิปทาเพราะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยเราหาระหว่างกลางระหว่างจิตรู้กับจิตหลงให้ได้จิตหลงคือจิตที่ไร้สำนึกใช่ั้ยจิตรู้คือจิตที่เป็นจิตรู้นะรู้กับหลงมีสองงานนี่แหละ เราในช่วงไหนที่เราหลงสติปับความคิดก็ปรากฏคือความคิดมีสมระดับนะหนึ่งความคิดที่เรารู้ว่าสบายหรือไม่สบายสองความคิดที่เราไม่รู้เท่าทันนะคือความคิดที่เราตั้งใจคิดหนึ่งความคิดที่เราตั้งใจคิดสองความคิดที่มัน จอจรมาให้คิดไปเรื่อยๆเป็นสังขารสามความคิดที่มันเราไม่เห็นมันเลยเอ้ยผมไม่ได้คิดอะไรนะความจริงมันคิดแล้วแต่ เ, เราไม่เห็นเราไม่รู้มันลักษณะอย่างเงี้ยมันก็ออกมาจากจิตใต้สํานึกให้สํารวจให้ดีว่าลักษณะทั้งสามอย่างเนี้อันไหนมากกว่านึงความคิดที่ตั้งใจคิดเวลาคิดมาจะหยิบอันนั้นจะช่วยอนี่จะไปอันนั้นเราตั้งใจแล้วก็ไป เวลาไปทำตามใช่มันก็จบใช่ไหมสองบางทีเราไปแล้วมันไปคิดเรื่องอื่นต่อเราตั้งใจไหม uh huh. ลูกไปตั้งใจว่าจะไปเข้าห้องน้ำํำลูกไปพับเอ๊วันนี้จะไปทางไหนดีจะไปอันนี้ไม่ตั้งใจละมันมันมันออกมาเองละตรงนี้อันนี้เรียกว่าสังขารตัวนี้สําคัญความคิดที่ตั้งใจคิดเจตนาคิดได้ไม่อันตรายไม่มีปัญหาพอทําตามใช่มันก็จบใช่ไหม แต่ว่าเราไม่ได้ฝึกสติสมิยะมาก่อนเมื่อความตั้งใจคิดจบแล้วเราไม่ได้ไปคองตัวรู้ไปกับการเคลื่อนไหวความคิดที่ไม่ตั้งใจมันก็เลยโผล่ขึ้นมาแทนตัวนี้เรียกว่าสังขารทีนี้ตัวอีกตัวหนึ่งเราก็ไม่ได้บางคนก็เดินไปตั้งใจไปก็ไปเฉยๆนะแต่ว่าไม่ได้เอาตัวสติมาตามรู้ การเคลื่อนการไว้ของขณะนั้นใจก็ลอยเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้เข้ามาลักษณะเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าธรรมารมซึ่งไม่เป็นอันตรายไม่เป็นสังขารแต่ว่าถ้าหากว่าเผลอจับเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาคิดมันกลายเป็นสังขารเพราะฉะนั้นตัวสังขารเนี่ยมันจะเกิดได้ทั้งสองแหล่งแหล่งหนึ่งคือตั้งใจคิดแล้วไม่มีสติเดี๋ยวมันก็ต่อเรื่องอื่นมาต่อ ทั้งแทง้ทั้งทที่ตอนแรกมีสติคิดนะแต่เพอไม่มีสติตามรู้ถึงการจบหรือไม่จบมันก็เื่องอื่นมาต่อได้สองเรื่องที่เป็นธรรมารมเรื่องนั้นผ่านเข้ามาบ้างเรื่องนี้ผ่านเข้ามาบ้างไม่เป็นเรื่องไปราวแต่พอขาดสติปับ๊บมันไปจับเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป็นเรื่องคิดต่อตรงนี้ก็กลายเป็นสังขารเหมือนกันนะดังนั้นความทั้งสามอย่างเนี่ยตัวที่เป็นอันตรายเป็นสมุทัยคือตัวสังขาร ตัวตั้งใจคิดก็ไม่เป็นอุเบกษ์ตัวธรรมอารมณ์ก็ไม่เป็นอุเบกษ์นะดังนั้นเองการเจริญสติสมาธิปัญญาของเราจึงเป็นเหตุปัจจัยที่สําคัญที่เราจะต้องทําให้มากถ้าหากว่าเราภาวนาเป็นความเพียรเป็นความเพียรที่ที่กล่าวมาเมื่อกี้สัมมาวมายามะถ้าทาเป็นนะตัวสติสมาธิปัญญามันมาเองทีนี้ นั้นองค์ประกอบที่สัมพันธ์คือศรัทธาและความเพียร น, นะเพราะศรัทธาและความเพียรที่ถูกต้องมันจะก่อให้เกิดสติสมถทิปปัญญาของมันเองเราจึงเรียกชื่อเสีงใหม่ว่าภล ะ, ะทุกคนมีอยู่เท่ากันก็คือศรัทธา ก, ก็มีมนะอวิยะก็มีสติสมถมีมีเหมือนกันหมดแต่มีอย่างเล็กน้ดะ น, น, น่อยทีนี้พอเรามาเจริญสติเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาทําให้กําลังศรัทธา กําลังวิญยาสติสมนีปัญญามันมีกําลังขึ้นในทางที่ถูกต้องเราเรียกว่าพร ะ, ะจากเสด็จทินซีมาเป็นศรัทธาพระเป็นวิญญาพระสติพระสมนีย์พระเป็นปัญญาพระเป็นกําลังแล้วทีนี้ก็ทําให้เรารู้เนื้อ ร, รู้ตัวขึ้นมาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนนี่จะลุกนั่งย่างเดินปุ๊บปั๊บไปเลยแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกบางส่วนรู้สึกขยับได้ใช่ไหมบางครั้งไอ้ตอนลุกไม่ทันไปทันตอนไหนตอนเดิน บาครั้งตอนเดินสองสามเก้าไม่ทันไปทันตอนเก้าที่สามทสีก็ตามรู้มันไปเรื่อยๆให้ทันมากขึ้นมากขึ้นนั้นเบื้องต้นในส่วนของรูปนามเนี่ยท่านให้ตามรู้ในส่วนที่เป็นก า, ายซะก่อนอารมณรูปนามเบื้องต้นให้ตามรู้กายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ท่านเอามาเรียงไว้ในกายานุปัสสนาถึงวันวันแรกได้บอกให้ได้นํามากล่าวให้ทราบแล้วถึงหกหมวดใช่ไหม ถ้าหากว่ก็ไม่ต้องจําละเมื่อใหญ่คนหนึ่งมาบ่นให้ฟังเมื่อวานฉันฟังอะไรก็ไม่จําเลยนะทาําไงหลวงพ่อว่ากันมาก็บอกไม่ได้จําให้จํำสักอย่างได้จําความรู้สึกตัวได้ก็พอแล้วย อ, อ, <c ười> อย่างอื่นไม่ต้องจําเออย่างอื่นไม่ต้องจําจําความรู้สึกตัวได้ก็พอแล้วนั่นแหะจบะที่พูดมาทั้งหมดเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวเท่านั้นเองไม่ได้พูดเพื่อให้ไปจําถ้าคุณรู้สึกตัวชัดเจนที่ไหนเมื่อไหร่อันนั้นได้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็คือตัวนั้นแหละเอ่ แต่ว่ามันเป็นการแยกแยะให้เห็นเพราะมนุษย์เราเป็นอ ะ, อะไรอะเป็นอุดมเพศอุด ม, ดมสัตว์นะคือมีเหตุมีผลมีจิตวิญญาณมอีอะไรมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นจะยอมรับอะไรอย่างไ น, นอย่างหนึ่งเข้าไปทำอย่างจริงจังมันจะต้องมีข้อมูลมีเหตุมีผลที่เชื่อถือได้คุณไปนั่งสร้างแหวนรู้สึกตัวนะคุณโยมมาใหม่ๆยอย่จะทาได้ไมั้ยนะ เออรู้สึกตัวอย่างเดียวนะไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรโยมจะทําได้ไหมไม่ได้ยิ่งคนปัจจุบันเนี่ยที่มีการศึกษามีความรู้มีประสบการณ์มาเยอะๆยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยแค่มาเห็นก็ขัดหูวขาาัดดาแล้วใช่ไหมอะไรภาวนาะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่นํามาพูดมากล่าวมาสาธยายนี่เพื่อให้เกิดตัวเข้าใจเกิดการศรัทธาที่จะเข้าใจถ้าหากว่าเราศรัทธาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะคนปัจจุบัน เป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจมีสติปัญญาระดับหนึ่งเยอะดังนั้นสิ่งที่จะยอมรับทําตามเนี่ยมันจะต้องมีเหตุมีผลที่ที่พิสูจน์ได้เราอยู่ในยุคของวิทยศาศาสตร์ในยุคของไฮเทคยุคของเทคโนโลยีเนี่ยเราจะยอมรับทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจสิ่งนั้นชัดเจนก่อนว่าจะนําพาเราไปที่ไหนผลออกมาเป็นอย่างไรนั่นแหละเราถึงได้ทุ่มเททําอย่างสุดชีวิตจิตใจ ดัะนั้นเองพวกเราถ้าเข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดเจนแล้วเราจะทำได้ดีกว่าคนสมัยก่อนๆที่เขายังไม่ไมีสมัยเราคือข้อมูลต่างๆไม่ชัดเจนเขาทตาตามศรัทธาแต่ทุกวันนี้คนเอาปัญญานำหน้าได้เมื่อนำหน้าปัญญานำหน้ามันเข้าใจซสก่อนแล้วก็ทำตามนะแล้วก็จะทำได้มากกว่าทำได้ดีฝ่าด้วยเอามาว่าคนในรุ่นต่อไปของโยมจะทำได้ดีฝ่ายเพราะอะไรเพราะเรา ม, มีการถ่ายทอด ข้อมูลสื่อเหล่านี้ดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราต้องทำให้ดีให้ชัดเจนเอาไว้เผื่อว่าประสบการณ์ทั้งหมดของเราเมื่อทำดีทำถูกทำเข้าใจถูกต้องไปสู่เป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็จะส่งทอดข้อมูลจากประสบการณ์ของเราไปสู่คนรุ่นใหม่ใช่ไหมแต่ว่าบางคนทาลวกๆทาไม่ถูกไม่ชัดไม่ตรงเนี่ยก็จะถ่ายทอดข้อมูลที่ผิดๆไปสู่คนรุ่นใหม่เหมือนกัน แต่คนรุ่นใหม่ซึ่งเขามีสติปัญญาดีกวเราเขาจะรู้อย่างเลือกอันไหนมันใช่อันไหนมันไม่ใช่ <c oughs> ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามแจงรายละเอียดกันเพื่อให้มันใกล้เคียงที่สุดเราก็ไม่จําเป็นต้องจําให้เข้าใจความเข้าใจความจํานี่ต่างกันไหมต่างกันความจําคือสิ่งที่เราต้องแบกต้องยึดต้องถือแต่ความเข้าใจไม่ต้องแบกไม่ต้องยึดไม่ต้องถือมันมี อยู่แล้วทุกคนพร้อมที่เข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องเอาไปใช้ให้ถูกตรงใช้นี่เองจึงกล่าวที่เมื่อกี้ว่าตรงใช้ก็คือใช้สัมมาวายามะทั้งสี่ประการไม่ว่าทั้งคดีโลกคดีธรรมเอาไปใช้ทั้งสองส่วนอย่าลืมและอย่าลืมว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นได้ทั้งสมมุติและเป็นได้ทั้งปรมัตา์เอาไปใช้ทั้งทางโลกทางธรรมขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งถ้าเรามีสัมมาวายามะในการคลองครอบครัวของเรา หนึ่งระมัดระวังว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวหรือชีวิตส่วนตัวของเรามีปัญหาเนี่ยมันอุบัติศปัญหามันคืออะไรบ้างเช่นครอบครัวเร า, เรายากจนขาดแคลนเงี้ยปัญหาเราคืออะไรหนึ่งไม่ขยันหาสองหามาแล้วไม่ขยันรักษาสามคบคนที่ไม่ไม่ไม่ขยันรักษาไม่ขยันหา 4ใช้ชีวิตไม่เหมาะสมกับสิ่งที่ตัวเองมีได้มาร้อยเราจ่าย200ได้มาพันเราจ่ายสองพันอันนี้เรียกไม่เป็นสมชีวิตานะตอนนั้นเองปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาอะไรในครอบครัวให้หาเหตุปัญหานี้มีแน่นอนนะเหตุมันมาจากอะไรเช่นเราไม่ค่อยลงรอยกันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยปัญหามันคืออะไร ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติไปแล้วก็คือพยายามที่จะไปหาเหตุตัวนี้แล้วค่อยแก้ทีนิดละนิดไปตรงนี้ไอการพยายามแก้ทีนิดละนิดคือการระวังเป็นสังวรประธานแล้วพยายามที่จะแก้ปัญหาเป็นประธา น, นประธานแล้วพยายามแก้อย่างแยกขายเป็นภาวนาประธานแล้วก็แก้ไปเรื่อยๆเพราะชีวิตมันมีปัญหาตลอดใช่ไหมเป็นนักแก้ไม่ใช่นักก่อนันกแก้ปัญหาก็เป็นอนุรักษณาประธานอันนี้ใช้ในของสมมุติ แล้วแต่เราจะมีปัญหาอะไรในคะรอบครัวเอาหลักอันนี้ไปใช้นะมันก็ชีวิตของเราก็จะมีความสมดุลทั้งสองส่วนบางคนมีปัญหาที่บ้านนั่นี้มาปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติทันเสร็จแล้วกลับไปบ้านมีปัญหาหนักกว่าเก่าอีกเพราะอะไรเ <laughs> พราะไม่เข้าใจในเรื่องทําไม่ถูกกันนะปัญหาหนักกว่าเก่าแล้วก็หนีมาวัดอีกก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่แล้วเมื่อไหร่มันจะจบถ้าเราปฏิบัติ สัมมาวาสัมมาวายามะหรือความเพียรอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราทำตัวอย่างแก้ไขปัญหาในกายในใจของเราที่ถูกต้องปับกลับไปบ้านมันก็เป็นองค์ขระยบของกายของใจในครอบครัวก็เหมือนตัวเราใช่มทีนี้ในตัวเราแก้ตัวเราเป็นปับ๊บมันก็ไปแก้ครอบครัวเป็นส่วนที่จะแก้ได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่าเรามีความพยายามถูกต้องแค่ไหนนะ ก็ต้งใช้หลายๆอย่างด้วยกันดังนั้นเองเราโชคดีที่ได้พบคำสอนของพุทธเจ้าแล้วได้พบวิธีที่ถูกต้องแล้วเอาวิธีถูกต้องไปใช้เป็นแต่ว่าบางคนแม้พบวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ยังเอาไปใช้ไม่ได้เพราะอะไรหาเหตุเพราะอะไร อ้านี่เชื่อคิดนะเพราะว่าเอามาใช้ถูกต้องและยมมั่นใจเมื่อเอาไปใช้ถูกต้องเพราะขาดอะไรอย่าลืมองค์ประกอบสองประการอย่าลืมคืออะไรศรัทธาและความเพียรถ้ามีศรัทธาและความเพียรที่ถูกต้องแล้วโยนิโสความเยียบคายมันมาเองแต่ถ้าหากว่าศรัทธาและความเพียรเราไม่ถูกต้องโยนิโสเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เพราะองค์ของโยนิโสเป็นองค์ของสติสัมปทิปัญญานะ ดังนั้นเรื่องนี้ในช่วงของการปฏิบัติเราจึงเน้นให้ทําถูกต้องแต่นั้นเวล า, าปฏิบัติอยู่เนี่ยเอามาจะเข้าไปสอบอารมณ์ไปถามโน่นถามนี่ว่างอันนั้นคือเข้าไปช่วยนะแต่ถ้าหากวปอให้ทำหมายความว่ า, าถูกต้องแล้วให้โอกาสได้ใช้สติปัญญายอย่างเต็มที่แต่บางคนพยายามเหลือเกินแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะลดปัญหานั้นได้ ความหมาความที่มันเกินความสามารถของเราก็เข้าไปช่วยนิดหน่อยนะว่าเออต้องทําอย่างนี้ต้องเปลี่ยนอย่างนี้เพื่อที่จะประคับประคองความเปลี่ยนของเราไปได้ตลอดนะดังนั้นในประเด็นที่พูดถึงเรื่องจิตรู้สํานึกและจิตไร้ซื่อเป็นเรื่องใหญ่หลวงมากบางทีอาจจะต้องได้พูดกันอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งสองส่วนเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจและมนุษย์ทั้งโลกได้อย่างไรแล้วเราจะเริ่มต้นแก้ไขมันได้อย่างไร ก็ไม่มีทางอื่นเลยนอกจากวิธีการที่เรามาทำเนี่ยเปลี่ยนจิตรู้อะไรสํานึกให้เป็นจิตรู้สํานึกให้มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนที่จิตที่รู้สํานึกแล้วให้เป็นจิตที่รู้ถูกต้องให้มากขึ้นนะแล้วปัญหาค่จะถูกแก่เองเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเรามาเริ่มหน่วยเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทํากันจริงจังถูกต้องหนึ่งคนเนี่ยสามารถขยายไปได้แต่หลายคนนะดังนั้นโอกาสในปีใหม่ สามสวันที่หนึ่งแล้ ว, ลวนะเนาะเราไม่ต้องไปเข้าดาวที่อื่นเมื่อคืนใครว่างตื่นขึ้นมาแล้ได้ินเสียงเที่ยงคืนเขาคอยสวดกันข้ามคืนทุกที่นะเดี๋ยวนี้นะลดระลงกันเลยเกินในสวดข้ามคืนบางคนเอา้าได้มาได้สองวันกลับแล้วเอารีบกลับไปไหนผมจะไปสวดข้ามคืนว่าเอาคุณอยู่ที่นี่คุณปฏิบัติข้ามคืนไม่ได้เลย บางคนก็เปลี่ยนใจบางคนก็ไม่เปลี่ยนใจเอาคุณปฏิบัติข้ามคืนไม่ดีก็สวดข้ามคืนสวดข้ามคืนเหนื่อยจะตายไปนะร้อยแปดรอบร้อยพันรอบบางทีบางคนเอา25งพ้าร้อห้าบห้อบยิ่งหนักเข้าไปอีกนะเออเอสองพันห้า้ห้าสิบหกเลยเนี่ยโอทั้งคืนมันจะจบไหมนะสองพันกว่ารอบเพื่อให้มันตรงกับพศ อ, อ, อันนี้คือเคสแบบไทยๆนะะดังนั้นในจุดนี้ให้เรารู้อะไรเป็นสาระอะไรไม่เป็นสาระ ดังนั้นพวกเราโชคดีตรงที่ว่าในเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยชีวิตเราก็จะพบสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆตลอดอันนี้คือการให้พอนะเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุในการที่จะตั้งใจมาศึกษาพรอเสียสละโอกาสที่จะไปเขาดาวที่ไปฉลองเฉลิมฉลอ ง, ลอ ง, ลองทุกที่ยอมขัดใจเพื่อนขอใจพี่ขัดใจพ่อแม่เพื่อที่มา วิปสัสนาเข้าดาวนะโดยการมาฝึกฝนปฏิบัติเราไม่ใช่เพียงม า, าทำข้ามข้ามคืนนะเราทำข้ามวันถึงเจวันเลยนะาบางคนก็ได้3วันบางคนก็ได้5วันอันนี้ก็จะมีอันนี้สงูงสูงขึ้นขอให้ความตั้งใจเป็นเพราะว่าปัจจัยให้มีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณรู้แจ้งเห็นจริงในจิตใจของตัวเองด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ